กปฏิสัมพิทาเนี่ยนะที่เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องแอกฉานแอกฉานในอัตธรรมนิรุตและปฏิพานเนี่ยนะปัญญาที่แตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตในปฏิภาณะเนี่ยนะเป็นปัญญาที่สามารถจำแนกแจกแจงประเภทธรรมะต่างๆได้เนี่ยนะเช่นปัญญาที่จำแนกแจกแจงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธขาวไมินีปฏิปทาอัญญาที่แจกแจงวันนี้ทุกเป็นอะไรปฏิสัมพิทาอัญญาที่จำแนกแจกแจงวันนี้ทุกทุกไม่ยิ่งไปขึ้นไปกว่านี้อันนี้เป็นอัฏฐปฏิสัมพิทาอัญญาที่จำแนกแจกแจงไปวันนี้ทุกขสมุทัยอันนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาอัญญาที่จำแนกแจกแจงวันนี้ทุกขานิโรธอันนี้เป็นอัฏปฏิสัมพิทา ัญญาที่จำแนกแจกแจงวันนี้ทุกขามิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาที่สามารถเอาอริยสัจมาแสดงได้เป็นนิรุติปฏิสัมพิทาปัญญาที่เชี่ยวชาญในความรู้ทั้งสามประการที่กล่าวไปแล้วเป็นปฏิภาณะปฏิสัมพิาทาทีนี้อย่างคัมภีที่เราเรียนที่เรียกว่าคำภีปฏิสัมพิธามักทําไมจึงเรียกว่าคำภีปฏิสัมพิธามัก เพราะว่าเป็นคำภีที่เพื่อแตกชันในปฏิสัมพิทาสำหรับผู้ที่เป็นภาริยาสาวกอยู่แล้วถ้าเรียนปฏิสัมพิธามักนะท่านเหล่านั้นจะแตกชันมากอา้าวถ้าคนที่ไม่ได้เป็นภาริยาสาวกล่ะเรียนคำภีนี้แล้วเป็นวาสนาต่อไปเพื่อจะได้ปฏิสัมพิธารนั้นของเราทั้งหลายนะเชื่อว่าถ้าบรรลุชาตินาก็ต้องปฏิสัมพิทาต่อด้วยนะ มีปฏิสัมพิธาครับเรนถามคุณเจ้าครับสําหรับพระปัจเจกพรพุทธเจ้านี่นิรุตติปฏิสัมพิธากับปฏิภาณปฏิสัมพิธานี่ของท่านเป็นยังไงครับท่านท่านไม่มีคือไม่มีแบบพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกทั้งหลายเนี่ยนะที่ท่านแสดงนิรุตติปฏิสมัมพิทากับปฏิภาณปฏิสัมพิธา โดยอาศัยเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเนื่องจากพระพุทธเจ้าให้ในมาท่านจึงแสดงได้จึงเอามาเอามาประกาศได้เนื่องจากพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้แล้วแล้วมาแสดงตามมาพูดตามแต่ถ้าเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่สามารถบัญญัติโวหารเรียกชื่อคือไม่สามารถตั้งเป็นขันธ์บัญญัติอายตนะบัญญัติภาพบัญญัติ ปัจจับัญญัติอินทรียบัญญัติเป็นต้นเนี่ยแม้กระทั่งปุคละบัญญัติท่านบัญญัติขึ้นไม่ได้ถ้าบัญญัติไม่ได้ก็เรียกว่าประกาศอริยสัจไม่ได้แต่ท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเอามาบัญญัติมาแต่งตั้งเปิดเผยแบบพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะคือมีความรู้ล่ะแต่ว่าไม่ไม่รู้พอที่จะเรียกว่าบัญญัติาศาสนาเองได้ถ้าอย่างของภาษาวกทั้งหลายทั่วทวไปที่ท่านแสดง ท่านแสดงตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าให้อตอนนี้ท่านจะมีการสอนอุบาสกบาลิกาในเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรเห็างนี้มีมั้ยคะออบาปบุญคุณโทษอย่างเนี้ยมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการสอนอริยสัจไม่ได้เกี่ยวกับการสอนอริยสัจหรืออริยสัจก็จะพูดถึงคําว่าสัจจะพูดอไไดันแรกไม่กี่คําำนะซึ่งไม่พอที่จะผู้ฟังเอาไปปฏิบัติและบรรลุได้ เป็นการพูดถึงอยู่ว่าเออเนี่ยขันธาตอายตนะนะท่านก็พูดอยู่คําคว่าพหูสูตรคาว่ากัลยาณมิตรแต่ว่าได้ไม่มากนักเนะีะแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าการแสดงให้คนอื่นบรรลุไม่ใช่วิสัยของท่านน ะ, นะก็ก็คือรู้ความความสามารถเปรียบเทียบอุปมาเหมือนอย่างว่าหลายท่านมาฟังในห้องเนี่ยนะพอเข้าใจไหมบอกเข้าใจงั้นถ้าคนที่บ้านเขาอยากรู้นะช่วยอธิบายให้ฟังทีสิ ได้ไหมเอาก็เข้าใจไม่ใช่หรือตอนฟั้งฟังอ่ะเข้าใจก็อธิบายได้สินั่นน่ะอจะว่าไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่อจะว่าเข้าใจมันก็ไม่พอจะอธิบายได้จะว่าไงอ่ะนั้นก็เหมือนกับที่ที่เขาบอกว่าอาจารย์ไปให้สมมเนสมมเนสมมเนนบอกเธอไปเอาบาตรมาบอกอาจารย์ครับบาตรมีน้ำมันเออเอาน้ำมันมาจะดื่มไม่มีครับก็องลองเอาไงกันเน่เนนจะว่าไง ก็บอกว่าสามเณรไปเอาบาดมาบาตก็คือทานน้ามันกันสนิมไว้แล้วเห็นไหมคือจะเอาไปใส่น้ํำดื่มบาตมีน้ํามันไปใส่ได้ยังไงยะอ้าเอามาจะดื่มน้ํามันแทนก็ได้บอกน้ํามันไม่มีครับไอความรู้มันบางอย่างมันก็เหมือนกันนะอย่างปฏินิรุตปฏิพานของพระปบาเจกมันก็มีระดับท่านอ่ะมันไม่มีระดับพระพุทธเจ้าคือของเราเนี่ยมันแค่ว่าเรียนธรรมะของของพระพุทธเจ้าซึ่งผู้มีสมบัติไม่มีที่สุดเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากหาประมาณไม่ได้เป็นผู้ที่สองสว่างโดยไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้พอบางครั้งที่เราจะต้องไปใช้แสงเดือนเนี่ยนะมันก็เลยสว่างไม่พอจะอ่านหนังสือได้อะปกติเราอ่านกลางวันใช่ไหมอยู่ตรงไหนเราก็อ่านได้เพราะอาศัยแสงอาทิตย์เอาตกกลางคืนมันก็สว่างเหมือนกันแต่มันไม่พออ่านหนังสือได้อะ่ะถามว่ามืดหรือไงไม่มืดถามว่าทําไมไม่อ่านหนังสือบอกสว่างไม่พออันนี้บอกว่ามันไม่สว่างไง แล้วจะทํำยังไงเพราะว่าความสามารถในในเรียกว่าปริมาณที่จํากัดผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่จํากัดก็คืออันเนี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางของเราก็นับว่าเป็นผู้ที่โหบุตรมีบุญมากอะนะได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ก็คือปัญหาไม่ใช่ว่าพระพุธทธเจ้าทิ้งมรดกให้มากเกินไปเห็นไหมเออเคยพูดไหมบอกว่าใจบิดกมากเกินไปเคยพูดไหมถ้าเคยก็แตดงว่าเนี่ย พระุธเจ้าเนี่ยนะให้สมบัติมากเกินไปบริหารไม่วาดไม่ไหวใช้ก็ไม่หมดเห <c oughs> มรู้จะโทษใครแล้วกันเนี่ย <c oughs> นี่ย้อนมาที่ปฏิสามพิธานะว่าปฏิสามพิธานี่เนี่ยนะเมื่อจำแนกเป็นเป็นคำพีที่จำแนกประเภทแยกแยะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจโดยประการต่างๆางอย่างนี้แล้วเนี่ย น, ะนี่ก็มาดูว่าเนื้อหาเนี่ยจัดเป็นสามสิบเรื่องนดะ้ สามสิบเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องยานเรื่องสุดท้ายก็เรื่องมาติกานี่ในเรื่องแรกคือเรื่องยานเนี่ยยานก็มาจําแนกประเภทอีกเป็นเท่าไร่เจ็ดสิบสามยานเจ็ดสิบสามยานเรื่องที่สองเาเราียกว่าทิฏฐิกถาก็ทิฏฐิเกินสองร้อยเนี่ยนะอย่างที่สามก็อาณาปานะก็ยานเกินสองร้อยอีกอ๋แต่ละอย่างนี่เกินเกินเป็นร้อยเป็นร้อยทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะถามว่าถ้ารู้อะไรเป็นร้อยเป็นร้อยขนาดนี้แล้ว ไม่ฉลาดให้รู้ไปนะมันก็จะเป็นอุปนิสัยที่จะได้ปฏิสัมพิธาเหมือนกันนี่ในเฉพาะเรื่องยานทั้งหลายเรื่องยานยานแรกก็คือสุตตมายาญาณอัญญาที่ทรงจำทมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตมายาญาณ น, น, นะทีนี้ถ้าฟังวัวในครั้งหนึ่งเาฟังอะไรฟังว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควร กำหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งนี้ควรรู้ยิ่งด้วยยาตาปริญญานี้ควรกําหนดรู้ด้วยอิระณะปริญญานี้ควรละด้วยอาหารปริญญานี้ควรทําให้แจ้งคือโดยเฉพาะสามัญญผลพระนิพผ่านเป็นต้นนะ่นี้ควรเจริญด้วยภาวะด้วยมากนั่นนะก็คือด้วยกุศลธรรมทั้งหลาย นี่การรู้ยิ่งกําหนดรู้ละเจริญทําให้แจ้งเหล่านี้เนี่ยนะผู้ที่ทํากิจเหล่านี้ก็จเจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหม mm hmm. เมื่อจเจริญกุศลอย่างนี้ก็จะมีธรรมะที่อยู่ในฝ่ายเสื่อมธรร ม, มะฝ่ายดารงอยู่ mm hmm. วิเศษยิ่งขึ้นเพื่อชํำระ ก, กิเลสนะถ้ากล่าวถึงสังขารทั้งปวงก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา การแสดงถึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาก็เพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้สมุทัย น, น, น, นี้นะิโรดนี้มรรคเนี่ยนะก็คืออริยสัจนั่นเองทั้งการฟังจนแยกแยะเข้าใจมีความรู้ทรงจำสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เป็นสุตามยะปัญญาว่างๆนะถ้าใครเงาเงาไม่เงาก็ได้มาตั้งทบทวนดูนะ เออเนี่ยบอกว่าธรรมะที่ฟังไว้กัญญาที่ทรงจำรรทำที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตามัยายานมันเป็นยังไง น, นะตอนที่ปิดคมภีรแล้วนะตอนเปิดคมภี์นี่หูตาสว่างสวัยไปหมดนะเข้าใจมองโอ้อันนั้นก็ไม่ไม่แต่ว่าลองแบบธรรมดาธรรมดาจะใช้งานจริงๆเลยนยะอะไรเป็นอภินญยยะเองไล่ดูนะเช่นที่เรานั่งอยู่นี่นะอะไรเป็นอภิญญ ย, ยธรรมอะไรเป็นปริญญยธรรมอะไรเป็น าหาตปธรรมอะไรเป็นสัจจีกาตปธรรมอะไรเป็นภาเวตปธรรมลองไล่ดูทั้งหมดนะเรานั่งอยู่อย่างนี้เสื่อมอะไรมั่งดำรงอยู่หรือเปล่าหรือเจริญขึ้นอะไรหรือชำรกออกจากกิเลสได้ยังไงสังขานทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกขยังไงเป็นธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาอย่างไรอะไรเป็นทุกขอะไรเป็นสมุทยัยอะไรเป็นเนโรธอะไรเป็นมรรคเนี่ยนะลองถามดูนะเรียกว่าตรงนี้ลองมาทําความรู้จัก ทำมะทั้งสิบหกหัวข้อในชีวิตดูในในชีวิตที่เป็นจริงดูะนะลองเรียกว่าปิดหนังสือแต่อ่านกับความเป็นจริงะนะถ้าตรงนี้ถ้าจำตัวหนังสือไม่ได้เลยนะจำไม่ได้แล้วถามว่าเอ๊ะอะไรสุตตามิยายานอะไรนาะอยาเีก็หาอย่างเดียวแนะี้เนี่ต่อไปนะถ้าเมื่อฟังจนเข้าใจในอภินัยยธรรมเป็นต้นหานาภาคิยธรรมเป็นต้นไตร ล, ลักษณ์และอริยสัพเนี่ย เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วถามว่าเราต้องสังวรยังไงสังวรคือปิดห้ามบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นได้อย่างไรการสังวรห้ามบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นเป็นศีลมยายาญาณน่ยนะห้ามบาประวังบาปปิดทวารไม่ให้บาปเกิดขึ้นในทวารทั้งทั้งหกเนี่ยนะแล้วรักษากุศลธรรมให้ให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นเพื่อจะเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง การที่สังวังแอบสังวนระวังห้ามไม่ให้บาปเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าศีลไมายะยานแล้วจิตแอบสมาธิภาวนามายะยานหมายความว่าสังวนแล้วทําสติให้ทําจิตให้เป็นกุศลอย่างต่อเ น, นื่องเป็นสมาธิภาวนามายะยานเนี่ยทําได้ยังไงอันเราก็ลองมาคิดนะถ้าใครศึกษาวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศเป็นอย่างดีนะ่ยเาก็อยู่ตรงนี้เจริญสมถะอะไรได้บ้าง อยู่ตรงนี้จเจริญพุทธคุณได้ยังไงเจริญทรมาคุณได้อย่างไรจเจริญสังฆคุณได้อย่างไ ร, ร, งไ อ, งไรอันก็คือเอาฝึกเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงให้ให้มากๆอันนั้นเป็นการอบรมจิตสิกขาให้จิตเป็นตายกับกุสนให้มากยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้น้อมไปเพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงว่ายังไง ความเป็นจริงว่าทั้งหมดเนี่ยชรามรณะใช่ไหม ช, ชรามรณะเหล่านี้มีอะไรเป็นแรงเกิดนะจํานวนถ้าถ้าถ้าทุกคนยอมรับว่าตัวเองแก่ซะหน่อยเนี่ยนะก็บอกว่าความแก่นั้นเนี่ยเกิดจากอะไรหนาะโอ้โหนี่พอเราเกิดนะเนี่ยพอเราถ้าเราเกิดมาเนี่ยแหละจึงมาแก่อย่างนี้แต่ทีนี้มันต้องแยกได้แล้วไอ้คำว่าแก่เนี่ยหมายถึงอะไรอันนั้นก็ประกอบด้วยความเสื่อมของอินซีอีอินซียดี ตาหูจมูกเล่นกายนี่มันเสื่อมไปเนี่ยนะใจมันก็เริ่มนะแต่มันก็ไม่ค่อยยอมนะ